การฟังทำเพื่อให้ได้ผลได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบความสงบกายสงบวาจาก็คือศีลความสงบใจก็คือสมาธิถ้าผู้ฟังเป็นผู้ที่ มีศีลมีสมาธิและผู้ฟังผู้แสดงเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเวลาฟังก็จะได้เกิดประโยชน์เกิดบรรลุธรรมขึ้นมาได้อย่างในสมัยพระพุทธการตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมขั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคี พระปัญจวัคคีย์นี้ก็เป็นนักบวชผู้ทรงศีลอยู่แล้วได้ฌานได้สมาธิแล้วแต่ขาดปัญญาที่จะทำให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆเช่นขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหรัน พอพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ทรงตัสรูได้บรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ทรงแสดงธรรมคือพระอริยสัจสให้แก่พระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกนทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเกิดสัมมาทิฐิขึ้นมา เห็นความไม่เที่ยงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นแล้วก็สามารถที่จะละตันหาความอยากให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพอละตันหาความอยาก ได้แล้วความทุกข์ก็ดับไปนะก็เลยได้บรรลุธรรมขึ้นมาผู้ที่จะบรรลุธรรมนี้ต้องเห็นพระอริยสัจสีเห็นความทุกข์ใจของตนเองว่าเกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากในกา ร, รก็เรียกว่ากามัตันหาอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ก็เรียกว่าภาวะตันหา อยากไม่อยากให้สิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิภวตัณหาถ้ามีตัณหาทั้งสามนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและการที่จะแก้ความทุกข์ใจให้หายไปก็ต้องแก้ที่การละตัณหาหยุดตัณหาความอยากนี้ สิ่งที่จะดับตัณหาความอยากได้ก็คือปัญญาที่เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรานั่นเองนี่คือเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วมีผู้ฟังได้บรรลุธรรมกันทันทีเพราะผู้ฟังมีกายวาจาที่สงบ ไม่ได้ทำอะไรขณะที่ฟังร่างกายนั่งอยู่เฉยๆหรือยืนอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่พูดอะไรใจก็ไม่คิดอะไรใจมีสติจดจอ่ออยู่กับการฟังและพิจารณาตามเหตุตามผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พอฟังปับเข้าใจปับ๊บ ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างมีชายคนหนึ่งที่ขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงธรรมให้ฟังตอนที่พระพุทธเจ้ากําลังเดินบิณฑบาตอยู่พระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธไปว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมแต่ชายคนนั้นก็มีความอยากฟังเป็นอย่างมากก็ กราบขอให้ได้โปรดแม้แต่ทําสั้นๆก็ยังดีพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเธอได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยินสัมผัสรับรู้อะไรก็ให้สักแตะวะ่ว่ารู้พอแสดงเท่านั้นเขาก็เข้าใจใจเขาก็ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลังจากนั้นเขาก็เลยขออนุญาตจะไปเตรียมตัวเพื่อที่จะมาบวชแต่ระหว่างทางได้ถูกกระทิงขวิดตายพระพุทธเจ้าทรงทราบข่าวก็ทรงบอกให้ทำชาปนกิจให้แก่ชายคนนั้น เราให้สร้างศัตรูเพื่อบรรจุอัติของชายคนนั้นในสมัยก่อนนั้นการสร้างศัตรูหรือสร้างเจดีเพื่อบรรจุอัตินี้ก็มีไว้เพื่อบุคคลสําคัญสําคั ญ, คญเช่นพระพุทธเจ้าพระปเจกขาพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์หรือพระมหาจักรพัฒน์เท่านั้นในกรณีของชายคนนี้ก็คงจะ ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เพียงแต่ได้ฟังธรรมสั้นๆจากพระพุทธเจ้าแต่เขามีปัญญาที่จะสามารถเข้าใจถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และทรงสามารถปฏิบัติได้กำจัดตัณหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเขาให้หมดไปได้เขาก็เลยได้บรรลุธรรมนี่คือสมัยพระพุทธการที่มีผู้ฟังธรรมนั้นส่วนใหญ่ในระยะแรกๆนี้จะเป็นนักบวชทั้งนั้นเป็นนักบวชผู้ทรงศีลผู้มีสมาธิแต่ขาดปัญญาพอได้พบกับพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะผู้ฟังก็เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับธรรมระดับปัญญาได้เพราะมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีจิตใจที่สงบตั้งมัน่นไม่ลอยไปตามกระแสความคิดปรุงต่างๆพอได้สัมผัสกับธรรมความจริง คือพระอริยสัจ ส, สี่ก็จะบรรลุธรรมได้กันทันทีทำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ออกมาจากพระอริยสัจ ส, สีทั้งนั้นทำที่มีอยู่มากมายกายกองมีอยู่ถึงแปดหมสีพันพระธรรมขันธ์นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามี เนื้อหาสาระอันเดียวกันเหมือนกันเหมือนกับน้ําในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลมีจํานวนมากมายก่ายกองแต่มีรสชาติอันเดียวเหมือนกันคือความเค็มชันใดทำที่พุทธเจ้าทรงสอนทรงตัดทรงสแสดงนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องทุก เรื่องของต้นเหตุของความทุกข์เกี่ยวกับวิธีการดับทุกข์นั้นทางนั้นถ้าผู้ใดฟังแล้วพิจารณาตามได้ปฏิบัติตามได้ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ดังนั้นเวลาฟังธรมถ้าอยากจะให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดได้ สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องได้ปัญญาที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมก็จำเป็นจะต้องนั่งด้วยกายวาจาใจที่สงบสมัยนี้ญาติโยมบางท่านชอบฟังธรรมในขณะที่ทำอะไรกันเช่นขับรถไปไหนมาไหนก็เปิดธรรมฟังหรืออยู่ในบ้านทำงาน ก็เปิดทำฟังซึ่งถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์ดีกว่าฟังเพลงหรือฟังดีเกหรือฟังละครแต่ถ้าถามว่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้ได้ได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่ได้เกินจะได้ไม่เต็มที่ถ้าเรามีกายวาจาที่ไม่สงบ เช่นคุยกันแล้วก็ฟังทำกันไปอย่างนี้เพราะทำจะไม่เข้ามาสู่ใจอย่างเต็มที่จะเข้ามาในช่วงที่หันมาฟังในช่วงที่หันไปพูดไปทำอะไรช่วงนั้นทำก็จะไม่เข้าไปสู่ใจอย่างนั้นจะไม่ได้ทาครบท่วนทุกขบวนการก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะ บรรลุทำได้แต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆและมีใจจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูและเข้ามาสู่ใจแล้วถ้าสามารถพิจารณาตามได้ก็จะได้ปัญญาจะได้บรรลุธรรมได้ถ้าไม่สามารถจะพิจารณาตามได้ ยังไม่เข้าใจแต่ใจไม่คิดเรื่องอื่นใจเกาะติดอยู่กับกระแสธรรมกับเสียงธรรมก็จะได้ความสงบคือสมาธิบางท่านจึงนิยมที่จะนั่งฟังธรรมเพื่อทำใจให้สงบเพราะว่าเวลานั่งโดยการใช้การบริกรรมพุธทธหรือการดูลมหายใจเข้าออกนี้ สติไม่มีกําลังพอที่จะดึงใจให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยการฟังธรรมเป็นเครื่องเจริญสติไปก่อนฟังธรรมไปใจก็จดจ่ออยู่กับกระแสธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหู แล้วถ้าพิจารณาได้ก็จะได้ความเห็นที่ถูกต้องได้ละความลังเลยสงสัยบางอย่างบางเรื่องได้ถ้าพิจารณาตามไม่ได้ฟังไม่เข้าใจแต่จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้า ยังไม่เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ก็อย่างน้อยดึงให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วทำให้สามารถที่จะมาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกต่อไปได้การฟังธรรมก็มีประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุธรรมก็จะเป็นการเจริญสติเจริญสมาธิ ดังนั้นผู้ฟังทมก็ต้องพิจารณาว่าฟังเพื่ออะไรถ้าฟังเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมแต่ยังไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เช่นขับรถอยู่หรือทำงานบ้านอยู่กวาดบ้านถูบ้านอะไรทำนองนี้โอกาสที่จะบรรลุธรรมจากการฟังธรรมนี้ก็จะเป็นไปได้ยาก ถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเพื่อใจจะได้รับกระแสธรรมเข้าไปสู่ใจได้อย่างเต็มที่ถ้ามัวไปทำงานไปขับรถใจก็ต้องแบ่งไปอยู่กับการขับรถอยู่กับการทำงานแล้วก็กลับมาฟังธรรมใจก็จะต้องแบ่ง แบ่งใจไปสองที่เวลาที่อยู่กับการขับรถก็จะไม่ได้ฟังธรรมเวลาฟังธรรมก็จะไม่ได้อยู่กับการขับรถซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายได้ดังนั้นถ้าอยากจะฟังธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ควรที่จะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบร่างกายไม่ทําอะไร ว่าจะไม่พูดกับใครใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆตั้งอยู่ในปัจจุบันฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูไปเรื่อยๆก็จะได้รับอา น, นิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพิจารณาตามได้ก็จะได้สัมมาทิฏฐิได้ปัญญาได้ความเห็นที่ถูกต้องกำจัดความสงสัยได้ ถ้าพิจารณาตามไม่ได้ฟังเฉยๆก็จะได้สมาธิความสงบจะสงบในระดับไหนก็สุดแท้แต่กำลังของสติถ้ารวมได้ก็ก็มีก็เป็นไปได้ถ้ารวมไม่ได้ก็ทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้สามารถ บริกรรมพุทธโธตอไปได้หลังจากที่ฟังธรรมเสร็จแล้วขณะที่ฟังธรรมนั้นไม่ควรที่จะบริกรรมพุทธโธไม่ควรที่จะดูลมหายใจเข้าออกเพราะมันจะทำให้ทำสองอย่างแข่งกันบริกรรมพุทธโธไปแล้วก็ฟังธรรมไปนี่ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลาทาใจให้สงบต้องมีอารมณ์เดียวถ้าใช้การฟังธรรมก็ไม่ต้องบริกรรมพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกให้ตั้งใจฟังเสียงธรรมก็ติดอยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวก็เท่ากับเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกเหมือนกับการบริกรรมพุโทโธดีที่ว่าไม่ต้องบริกรรมพุโทโธเพียงแต่ใช้สติ ควบคุมใจให้รับกระแสเสียงของธรรมเท่านั้นบางท่านเวลานั่งฟังธรรมก็คิดว่าจะต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปด้วยหรือดูลมหายใจเข้าออกไปด้วยอย่างนี้จะทำให้ไม่ได้เกิดผลเพราะว่าใจจะต้องแบ่งไปในกับการฟังธรรมแล้วก็กับการบริกรรมพุทโธ หรือกับการดูลมหายใจเข้าออกจะไม่ได้มันก็จะเหมือนกับการที่ขับรถแล้วฟังธรรมหรือทำงานแล้วฟังธรรมดังนั้นการที่เราจะฟังธรรมให้ได้ประโยชน์จึงควรมีใจที่จดจ่ออยู่กับการฟังไม่ต้องวิภาควิจารไม่ต้อง อ, อะไร ให้ฟังเสียงธรรมแล้วก็พิจารณาตามไปถ้าพิจารณาได้ถ้าพิจารณ า, าไม่ได้ก็ให้เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ปัญญาก็จะได้สมาธิได้ความสงบนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง คือการฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นการศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองพวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้พวกเราจะไม่รู้ธรรมคือพระอริยสัจสี่เราก็จะไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติ ที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปจะไม่รู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดต้องอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วการที่จะรู้จากธรรมของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการศึกษาคำสอน ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรน่า ส, สอนให้เราปฏิบัติอะไรการฟังเทศฟังธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นเหมือนกับศึกษาแผนที่ของจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องเดินทางไป ถ้าเราไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนเราก็จะไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้เราต้องมีแผนที่ดูทางบอกทางว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางนี้จะต้องออกเดินทางไปทิศไหนถึงตรงไหนแล้วต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือต้องตรงไป ต้องมีแผนที่บอกทางไม่เช่นนั้นก็จะหลงทางการศึกษานี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาแนวทางหรืออาศัยคนที่รู้ทางคอยบอกคอยพาเราไปเช่นเราขับรถไปถึงสี่แยกเราไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปเราก็ถามคนแถวนั้นว่าจะไป ที่ตรงนั้นไปจะไปทางไหนเขาก็จะบอกให้เราพอเราไปถึงอีกแยกหนึ่งเราก็ต้องหยุดถามอีกถามไปเรื่อยๆถามไปจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่ถามเราเลี้ยวผิดทิศผิดทางก็จะไม่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปได้ต้องการจะไปได้ฉันใดการปฏิบัติธรรม เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็ต้องมีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางไปการฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามานำการปฏิบัติของเรานั่นเองถ้ามีธรรมนำทางนำการปฏิบัติผลของการปฏิบัติก็จะเป็นไปตามที่ปรารถนา คือจะหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดหลุดพ้นแบบถาวรไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือความสำคัญในการฟังเทศฟังธรรมในการมีครูบาอาจารย์ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุปจะไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุก่อนและเมื่อตัดสรุปแล้วก็นำเอาสิ่งที่ทรงตัดสรุปนี้มาเผยแผ่สั่งสอน ถ้าไม่ทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีผู้อื่นที่จะสามารถบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าได้เช่นพระประเจกะพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดสรู้แล้วแต่ไม่ทรงนำเอาธรรมที่ได้ทรงตัดสรูน้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ก็เลยไม่มีพระอาหลานตสาวกปรากฏขึ้นมาไม่มีพระรัตนตรัยครบองค์มีเพียงองค์เดียวคือมีพระพุทธรัตนะแต่ไม่มีพระธรรมรัตนะไม่มีพระสังขารรัตนะเมื่อไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีการสืบทอดพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอย่างที่มีการสืบทอด ในสมัยปัจจุบันนี้กับพระพุทธเจ้าของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงประกาศพระธรรมคําสอนด้วยพระความพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกพระองค์นี้ไม่ได้รับอะไรไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการนําเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพราะว่าพระไตยของพระองค์นี้ได้รับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจอยู่แล้วคือปรมังสุขขังการนำธรรมะมาเผยแผ่แก่สัตว์โลกไม่ได้ทำให้มีความสุขในพระไทยเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดเหมือนกับน้ำ แก้วน้ำที่เติมเข้าไปเติมน้เข้าไปเต็มแก้วแล้วจะเติมน้ำเข้าไปอีกหยดหนึ่งก็ไม่ได้มันก็จะล้นออกมาอยู่ดีการเสียสละของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีแก่สว์โลกทรงสละเวลาที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ตัดสรนแล้ว สี่สิห้าปีด้วยกันทาหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทรงสอนทุกวันภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอยู่เป็นประจำนี้เรียกว่าพุทธกิจห้าพุทธกิจห้านี้สี่ข้อก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะเช่นในตอนบ่าย ก็ทรงสั่งสอนสัตธาญาตโยมตอนค่ำก็ทรงสั่งสอนพระภิกษุสามนเณรและตอนดึกก็ทรงสั่งสอนเทวดาส่วนตอนเช้าก่อนที่จะทรงออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งยามหรือว่าจะไปโปรดไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น ใครเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับธรรมพร้อมที่จะบรรลุธรรมหรือมีเหตุที่จะต้องอมีอะไรตายจากไปก่อนเวลาอันควรแต่พร้อมแต่ควรจะได้รับธรรมก่อนที่จะเสียชีวิตไปพระองค์ก็จะทรงมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นแล้วก็ออกทรงออกบิทะบาท ภารกิจสี่ข้อนี้ทําเพื่อผู้อื่นภารกิจข้อที่หคือการบินทบานก็ทําเพื่อร่างกายไม่ได้ทําเพื่อพระทัยของพระองค์ทําเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปได้เพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาอบรมสั่งสอนสัตว์โลก ดังนั้นภารกิจทั้งห้านี้พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เองเลยพระองค์ก็คือพระไทยของพระองค์นี้เพราะพระไทยของพระองค์นี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วถ้าจะต้องสูญเสียชีวิตไปเวลาใดก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดดังนั้นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อพวกเรานี้จึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าพระคุณของบิดามารดา ปิดามันดาของพวกเหานี้ให้ร่างกายของพวกเราแต่ร่างกายของพวกเหานี้ก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กับพวกเหล่านี้คือพระธรรมคำสอนที่จะทำให้จิตใจของพวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า พวกเราตอนนี้ก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปยังไม่มีวันจบวันสิ้นเพราะพวกเราเองจะไม่มีปัญญาที่จะสามารถที่จะรู้พระอริยสัจสีได้ด้วยตนเองและปฏิบัติจนทําให้จิตนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปต่อไปแบบไม่มีวันสิ้นสุด าชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นชาติที่ที่มงคลของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้พวกเรานี้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยความยินดีคือฉันทะด้วยวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรด้วยจิตตะจิตใจที่จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติด้วยวิมังสาจิตใจที่ค่ายควรเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติถ้าเรามีศรัทธาและมีอิทธิบาทสี่ เราก็จะสามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์มาก่อนหน้านี้แล้วท่านก็เป็นเหมือนพวกเราก่อนที่ได้จะก่อนที่จะมาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราในตอนนี้ที่ยังมีความหลงอยู่กับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆหลงอยู่กับลาบยศสรเสริญสุขหลงอยู่กับการดูแลรักษาชีวิตคือร่างกายของพวกเราและร่างกายของคนที่เรารัก แล้วก็ต้องมาร้องห่ม่ร้องไห้มาทุกข์กับการทัดภาคจากกันมาทุกข์กับความสูญเสียแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามได้เต็มรูปแบบตามที่พุทธเจ้าได้สรงปฏิบัติตามที่พระอาหารหันตสาวกได้ปฏิบัติ เราก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมาเศร้าโศกเสียใจกับการเสื่อมของลาบยศสัจระเสินสุขกับการดับกับความตายของบุคคลต่างๆเพราะว่าความทุกข์ของพวกเรานั้นไม่ได้เกิดจากความเสื่อมหรือเกิดจาก ความตายของบุคคลต่างๆแต่เกิดจากความหลงที่ไปอยากให้เขาไม่เสื่อมไปอยากให้เขาไม่ตายพอเกิดความอยากไม่ตายขึ้นมาไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้เขาเสื่อมก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ นี่คือปัญหาของพวกเราที่พวกเราจะต้องแก้กันและแก้ได้เพราะมีผู้สอนให้แก้ถ้าไม่มีพพุทธศาสนาต่อให้อยากแก้มากน้อยเพียงไรก็จะแก้ไม่ได้เพราะจะไม่มีใครรู้จักวิธีแก้ที่ถูกต้องแทนที่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงไปกลับจะทำให้ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป พาะแก้โดยไม่ไม่ถูกวิธีถ้าไม่แก้ด้วยการตัดความอยากสมัยนี้ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าคนที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเขาจะแก้ความทุกข์ของเขาด้วยการทำตามความอยากของเขายิ่งทำตามความอยากมากเท่าไหร่กับยิ่งสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นใหม่ภายในใจเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้น ไม่ได้ทำให้ความทุกข์น้อยลงไปอย่าถ้าเรามาดูผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาแก้ปัญหาที่ใจที่ความอยากของใจมาตัดความอยากต่างๆให้มีที่มีอยู่ภายในใจให้น้อยลงไปก็หมดไปเราจะเห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในความสงบ สร้งอยู่ในความสุขโดยที่ไม่ได้ต้องไม่ต้องทําอะไรตามความอยากคนที่ทําตามความอยากแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์แบบไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่ทุกกับเรื่องนั้น <cents> เดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับเรื่องนี้เพราะมีความอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ใจ วุนวายใจขึ้นมาเพราะว่าไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องถ้าไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่มาฟังเทศฟังธรรมไม่มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อให้ใช้อะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาแก้ความทุกข์ก็จะแก้ไม่ได้จะแก้ไดก้ก็ต้องแก้ด้วยการปฏิบัติ ตามคำสอนของพ่อพระเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นพวกเราการมาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เพื่อมาศึกษาวิธีการละตันหาความอยากต่างๆเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตันหาความอยากต่างๆเหล่า น, นี้ให้ดับไปจากจิตจากใจให้หมดเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้ว เราก็ต้องทำตามถ้าตอนนี้เราฟังแล้วเราเข้าใจเราเลิกความอยากต่างๆได้เราจะรู้สึกว่าใจของเรานี่เบาขึ้นมาทันทีสุขขึ้นมาทันทีสบายขึ้นมาทันทีถ้าเรากำลังทุกขอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับคนใดคนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอได้ฟังทำแล้ว เข้าใจแล้วว่าความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราอยากจะให้ความไม่สบายใจของเราหายไปเราก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปพอเราหยุดได้แล้วความไม่สบายใจก็จะหายไปส่วนสิ่งนั้นเขาจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีนั่นเองได้มาเท่าไหร่ทําให้มันดีเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเปลี่ยนไปต้องเสื่อมไปต้องหมดไปอยู่ดีดังนั้นการแก้ปัญหาจึงไม่ได้ไปแก้กับสิ่งต่างๆไปเปลี่ยนสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราแต่ต้องมาแก้ที่ใจคือความอยากของเรา อย่าไปอยากให้สิ่งต่างๆเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่าเขาเป็นอนัตตาคือเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเขาอาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับในบางเวลาแต่บางเวลาเขาจะไม่อยู่เช่นร่างกายของเรานี่บางเวลาเราก็ควบคุมบังคับเขาได้สั่งให้เขาเดินสั่งให้เขาทำอะไรได้ แต่พอเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไปสั่งให้เขาเดินเขาก็ไม่เดินเช่นเวลาเป็นอมพึกเป็นอมภพาตจิตก็จะสั่งให้ร่างกายยกแขนยกเท้าแต่ร่างกายมันบอกว่ามันไม่ทําตามเสียแล้วพอร่างกายไม่ทําตามใจก็ยิ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหญ่คนบางคนถึงคิดอยากจะฆ่าตัวตาย พราะทนกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของตนเองไม่ได้อยากให้ร่างกายของตนเองกลับมาเป็นปกติสามารถทําอะไรตามคําสั่งของตนเองได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียแล้วเพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรานั่นเองมันเป็นอนัตตามันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติทําให้เขาต้องเสื่อมทําให้เขาต้อง เป็นอมามพิกเป็นอามาพาดไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ถ้าเราไม่มาหยุดความอยากที่จะสั่งให้ร่างกายอยู่ภายใต้คําสั่งของเราทําตามความสั่งของเราเราก็จะยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่ๆเพราะยิ่งอยากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยอยากจะให้หายอยากจะให้มันดีอยิ่งอยากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นะ แต่ถ้ายอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละร่างกายเกิดแก่เจ็บตายดูแลรักษามันไปเท่าที่จะดูแลรักษาได้ถ้ามันไม่สามารถรักษาได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเราสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขถ้าเราไม่มีความอยากการที่เราจะไม่มีความอยากเราก็ต้องปฏิบัติธรรมกัน ต้องทำใจให้สงบให้ได้เพราะเวลาใจสงบใจจะมีความสุขและใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหตุที่เราต้องใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราพาเราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดูหรือฟังหรือดืมหรือรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะเราไม่มีความสุขภายในใจ เราจึงต้องออกไปหาความสุขทางร่างกายแทนให้ร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายให้แต่พอร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้ความอยากของเรายังไม่หมดไปความอยากนี้ก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาอยากใช้ร่างกายให้เหมือนเมื่อก่อนนี้ก่อนที่ร่างกายจะไม่ไม่สบาย แต่เราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายกลับไปเป็นเหมือนตอนที่ไม่ไม่มีความไม่สบายตอนที่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาที่ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกทรมานกับการอยู่กับร่างกายที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้ทำอะไรตามความต้องการของเราได้ ถ้าเราทําใจให้สงบได้หยุดความอยากได้เราจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นอมพพกอรมภา พ, อาพาของร่างกายเช่นครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือรู้จักเช่นหลวงปู่ชอบท่านก็ต้องนั่งรถเข็นท่านก็เป็นอมพพกอรมภา พ, าพาแต่ใจของท่านกลับล่าเร้นยิ้มแย้มผ่องใสเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายของท่าน หาความสุขให้กับท่านท่านมีธรรมหาความสุขให้กับท่านท่านมีความสงบเป็นความสุขอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ต้องอาศัยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือท่านจึงไม่มีความอยากที่อยากจะให้ร่างกายหา ย, ห, ายหรือไม่หายท่านพอใจกับสภาพของร่างกายจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้ จะอยู่ก็ได้จะตายก็ได้ใจไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกแล้วใจมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วคือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทําใจให้สงบแล้วก็ให้ใช้ปัญญาตัดความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเวลาที่ใจไม่สงบเวลาใจออกจากความสงบมา แล้วเริ่มคิดตรงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเกิดความอยากก็อยากไปทําตามความอยากเพราะถ้าทําแล้วความอยากจะไม่หมดไปไม่หายไปแต่ความอยากจะกลับมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความอยากมีเพิ่มมากขึ้นไปเท่าไหร่ความทุกข์ก็มีเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้าฝืนได้ตัดได้ความอยากก็จะน้อยลงไปความทุกข์ก็จะน้อยลงไปตามลําดับ ได้หมดไปในที่สุดเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาฟังเทศ์ฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอามาแก้ปัญหาที่พวกเรามีกันอยู่ทุกคนนี้ ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาจะไม่มีความทุกข์กันไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เช่นพระเจ้าแผ่นดินพระมาหาจากกักรพรรดิปานานาธิปดีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่มีทรัพย์มากมหาเศรษฐีหรือคนธรรมดาคนยากคนจนคนขอทานคนพิการ มีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นมีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเพราะยังมีความอยากอยู่ในใจด้วยกันทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นเองเพราะว่าถ้าได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ก็จะไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มี ไม่มีบุคคลอย่างนั้นมาให้เราเห็นกันเพราะว่าพระอรหันต์แต่ละองค์นี้หลังจากที่ท่านตายไปแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะท่านไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วพวกที่มาเกิดทุกคนจะเป็นพวกที่ยังมีความอยากอยู่ยังมีความทุกข์อยู่แล้วถ้าไม่เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือใชในการดับความทุกข์ ก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้เลยเพราะว่าความใหญ่โตหรือความร่ารวยนี้ไม่สามารถที่จะมาหยุดตันหาความอยากได้แต่กลับจะเป็นเหตุทำให้เกิดตันหามากขึ้นไปเสียอีก เวลาเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นไปนานๆเวลาร่ำรวยก็อยากจะรวยมากขึ้นหรือรวยไปนานๆก็จะไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายแทนที่จะมีความทุกข์น้อยลงกับทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นนั่นเองในทางตรงกันข้ามคนที่ยากจนแรงแครพวกขอทานนี้ ถึงแม้ว่าจะมีความอยากให้ร่ำให้รวยอยากให้ดีแต่บางทีก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเท่าไหร่พอ ร, รู้ว่าไม่มีทางที่จะทำอะไรได้และคิดว่าดีสิอีกตายไปจะได้หมดทุกบทความยากลำบาก่างนั้นขอให้พวกเราจง เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ทำให้เราต้องไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ ทำให้เราไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายที่กำลังจะเข้ามาหาเราอยู่ในอนาคตอันใกล้และไม่ไกลนีออ้พวกเราทุกคนนี้กาลังเดินเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันออแต่พวกเราสามารถที่จะเจอความแก่ความเจ็บความตายอย่างไม่สะทกสะทานอย่างไม่ทุกข์อย่างไม่เดือดร้อนได้ ถ้าเรามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งของใจเราอย่างนั้นเราควรที่จะพยายามเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาคือการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นําเอามาปฏิบัติเพราะธรรมที่เราได้ยินได้ฟังยังไม่ได้เป็นธรรมที่จะมา ทำหน้าที่ดับความทุกข์ใจต่างๆของพวกเราเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ทำที่เราได้ยินได้ฟังนี้จะต้องเข้ามาสู่ใจของเราอีกทีหนึ่งเหมือนกับยารักษาโรคที่เราไปรับจากแพทย์เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแพทย์ก็จะให้ยามาแล้วบอกว่าให้เอาไปรับประทาน ถ้าเรารับยามาจากแพทย์แล้วเราไม่รับประทานยายาก็จะไม่สามารถเข้าไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายไปได้ฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเป็นเหมือนอยารักษาโรคใจรักษาความทุกข์ใจถ้าเราไม่เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้รับจากพระพุทธเจ้ามานี้มาปฏิบัต ก็เหมือนกับเราไม่ได้รับประทานยาพอเราไม่ปฏิบัติธรรมก็จะไม่เข้าสู่ใจเมื่อธรรมไม่เข้าสู่ใจโลกภัยของใจก็คือความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดจากตันหาความอยากต่างๆก็ยัยงจะอยู่ภายในใจต่อไปใจก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียวนั้นจึงยังไม่พอต่อการที่จะ กำจัดความทุกข์ภายในใจให้หมดไปได้จำเป็นจะต้องน้อมนำเอามาปฏิบัติอีกทีหนึ่งหรือปฏิบัติในขณะที่ฟังเลยก็ได้ถ้าอยู่ในขั้นปัญญาแล้วผู้ที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วสามารถปฏิบัติในขณะที่ฟังได้เพราะการปฏิบัติขั้นปัญญานี้เป็นการใช้ความคิดความคิดที่ไปในทาง อริยสัจสคิดไปในทางอริยสัจสี่ก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์สมุทัยนิโรธมากแล้วก็จะสามารถสั่งให้ใจผลิตมากออกมาเพื่อหยุดตันหาความอยากที่มีอยู่ภายในใจได้นะแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องมาสร้างสมาธิาาให้เกิดขึ้นก่อนถ้ายังไม่มีศีลก็ต้องมาสร้างศีลให้เกิดขึ้นก่อน สาหรับศีลของผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นศีลอย่างน้อยศีล8ดขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล2องศีลสาม้อยกว่าข้อนี้เป็นศีลของผู้ปฏิบัติทมเพราะว่าจะทําให้สามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้ถ้าเป็นศีลห้านี้จะไม่มีกําลังพอที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมาได้ต้องเอาใช้ศีลแปดขึ้นไป เหมือนกับเวลาที่เราขับรถขึ้นที่สูงเราจะใช้เกียร์เกียร์เกียร์สูงไม่ได้เราต้องใช้เกียร์ต่ำต้องเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์สี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์จากเกียร์สามก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สองจนกว่าจะสามารถไปถึงยอดเขาได้ถ้าเราใช้เกียร์สูงเกียร์สี่เกียร์ห้าเครื่องก็จะดับไปไม่ได้ฉันใด การรักษาศีลก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรารักษาศีลห้านี้จะไม่มีกำลังพอที่จะส่งใจให้ไปสู่การปฏิบัติธรรมสู่การเจริญสมาธิได้ต้องมีศีลแปดศีลสิบศีลสองอยบเจ็ 10, 7, เป็นเครื่องเบอคอยผลักดันใจให้ขึ้นไปสู่การปฏิบัติสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบเนี่ ถ้ามีสมถะภาวานาแล้วมีสมาธิแล้วก็สามารถออกพิจารณาทางปัญญาได้เลยพิจารณาดูอริยสัจสีได้เลยอริยสัจสีนี้ต้องเป็นอริยสัจสี่ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งมันไม่เหมือนกันต้องเห็นทุกต้องเห็นเวลาที่เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ แล้วก็พิจารณาว่าทำไมเราต้องมาร้องห่มร้องไห้เสียใจเพราะอะไรเพราะเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือคนที่เรารักไปแล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่าเพราะเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้เขาไม่จากเราไปได้หรือเปล่าต้องพิจารณาแบบสดสดร้อนร้อนถึงจะเป็นปัญญาต้องเกิดทุกข์ขึ้นมา เราจะต้องพิจารณาดูว่ากำลังอยากอยู่กับเรื่องอะไรแล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องที่กำลังอยากอยู่ว่าเป็นอนิจจाเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปยือเขาไว้ได้ถ้าเขาจะต้องไปถ้าเขาจะต้องจากเราไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ปล่อยเสียพอเราปล่อยคือไม่ได้มีความอยากให้เขาอยู่กับเราอีกต่อไป พอไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะหายไปอันนี้ต้องเห็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นอริยสัจสี่เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามเหตุการณ์จริงไม่ใช่เห็นแบบตามแบบทฤษฎีแบบที่เรานั่งคิดกันว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราความอยากของเราจะหายไปก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นตายรักอันนี้ยังเป็นทฤษฎีอยู่ แต่ก็ต้องศึกษาทฤษฎีเตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนเป็นการทําการบ้านไว้ก่อนลองพิจารณาคนที่เรารักคนที่เราไม่อยากให้เขาจากไปดูคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วรอวันที่เขาจะจากเราไปแล้วเวลานั้นดูซิว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนเช่นร่างกายของเรานี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราอยากให้เขา เที่ยงอยากให้เขาเป็นของเราเวลาเขาจะจากเราไปนี้เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเรามีความอยากแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราต้องไม่มีความอยากกับเรื่องของร่างกายนี้เพราะเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่เป็นของเราถ้าถึงเวลาเขาจะไปก็ยอมปล่อยให้เขาไปก็จะไม่ก็จะไม่ทุกข์อันนี้จะพิสูจน์ได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเราต้องไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายทําอะไรไม่ได้รักษาไม่ได้แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะต้องตายไปเวลานั้นแหละจะได้เห็นอริยรรสัจสี่ของจริงปรากฏขึ้นมาภายในใจและเวลานั้นะจะได้เห็นว่าธรรมของเราที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้มีกําลังพอที่จะดับ ความทุกข์ภายในใจของเราได้หรือไม่ละตัณหาความอยากไม่ให้ร่างกายตายไปได้หรือไม่อันนี้มันจะเกิดขึ้นตอนนั้นตอนนี้ยังไม่เกิดก็ต้องเป็นเวลาที่เราต้องซ้อมอยู่เรื่อยเหมือนกับนักมวยก่อนที่จะขึ้นเวทีไปชิงแชมป์นี้ต้องซ้อมชกกับคู่ซ้อมไปก่อนชกกระสอบทรายไปก่อนจนกว่าจะมีความมั่นใจว่าพร้อมก็ถึงจะขึ้นไปบนเวที แล้วก็จะมีโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้นี่คือเรื่องของธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราแต่บางทีเรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่ได้มองเข้ามาข้างในใจถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีสมาธิจะไม่เห็นอริยสัจสีที่มีแสดงอยู่เรื่อยๆมีทุก เล็กทุกน้อยทุกใหญ่ทุกโตสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีสมาธิแล้วใจจะกลับเข้ามามองข้างในใจจะมองใจถ้ามองใจใจก็จะเห็นอริยสัจสี่กำลังทำงานอยู่ถ้ามีธรรมมากก็จะเป็นนิโรธกับมากเป็นส่วนใหญ่ถ้ามีกิเลสมากมีตัณหามากก็จะเป็นทุกขกสมุทัยทำงานเป็นส่วนใหญ่เพราะ ทำทั้งสองคู่นี้ผัดกันทําหน้าที่กันเหมือนแข่งกันถ้ากิเลสมีกําลังมากกว่าอธรรมะก็จะไม่ได้ออกมาแสดงตัวถ้าธรรมะมีแสดงมีกําลังมากกว่ากิเลสก็จะไม่ออกมาแสดงตัวถ้ากิเลสไม่แสดงตัวความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏถ้ากิเลสแสดงตัวตัณหาแสดงตัวความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาะ เวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจก็ขอให้เราเข้ามาแก้ที่ข้างในแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่แก้ที่ข้างในเราจะไปแก้ที่ข้างนอกแก้สิ่งที่เราทำให้เราไม่สบายใจใครทำให้เราไม่สบายใจเราจะต้องไปจัดการกับเขาอย่างใดอย่างหนึ่งคุยกับเขาหรือกําจัดเขาให้พ้นหูพ้นตาไปเพื่อที่เราจะได้หายจากความไม่สบายใจ แต่มันก็เป็นการหายชั่วคราวเดี๋ยวมีคนอื่นขึ้นมาแทนที่มาทำให้เราไม่สบายใจอีกเราก็ต้องไปกาจัดเขาอีกแล้วการกาจัดเขาก็อาจจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันขึ้นมาแทนที่จะกาจัดเขาให้หายไปเขากลับจะมาหาเราบ่อยขึ้นซะอีกเพราะเขายังแค้นอยู่ภายในใจที่เราไปกาจัดเขาวิธีแก้ปัญหาของใจเรานะั้นต้องแก้ที่ตัณหาความอยากของเรา อย่าไปอยากให้เขาหายไปอย่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หยุดความอยากเสียเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะอยู่เขาจะไปก็เรื่องของเขาถ้าไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับการอยู่กับการไปของเขาแ้ะเราจะไม่มีเวรไม่มีกรรมกับเขานี่คือหลักการของการปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเือให้มาแก้ที่ใจ แก้ที่ตันหาความอยากนี้ด้วยปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งคนพบคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆภายในใจของเรานี้จะหมดไปตามลําดับได้หมดไปได้อย่างสิน้นอย่างอย่างถาวรอย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกได้ทรงกำจัดความทุก ด้วยวิธีนี้กันทั้งนั้นไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าในใจของพระอรหันตา์ตาวกเพราะท่านมีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเราต้องมาฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมนี้ไปเป็นเครื่องมือกำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปจากใจของพวกเราแล้วเราจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น กับร่างกายของเราก็ดีกับบุคคลใดก็ดีหรือเกิดกับทรัพย์สินข้าวของเงินทองต่างๆของเราก็ดีจะไม่ทําให้เราต้องมีความทุกข์กับเขาเลยเพราะเรามีธรรมของพระพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาให้ใจของเรานั้นมีแต่ป a มังสุขขังอยู่ตลอดเวลาจึงขอฝากเรื่องของการฟังเทศฟังธรรม ด้วยกายวาจาใจที่สงบนี้เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพณิพิจนาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยทถาวาริวาหาปุราปริรปุริเติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก an ัรปติยิชิต um ังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเเปุรเณตุสังกปาจันโทปนะระโสยทถามณีโชติ ภราสุยาตาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโวินาศสตุมาเตผวะตวันตารโยสุขีทีคาโยโกผวะอภิวาทนสีลทตสะนิจังวุทาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโสุขัง ลช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วหยุดถามตอบแล้วก็จะขอความกรุณาไม่ไม่ตอบอีกต่อไป คำถามจากคุณภาวนาบารมีสิบประการนั้นสำหรับผู้ที่บาเพ็ญเพื่อเป็นสาวกภูมิเข้าสู่พระนิพพานนั้นจะต้องบาเพ็ญบารมีทั้งสิบประการให้ครบและเต็มภูมิของสาวกภูมด้วยใช่ไหมคะก็าทาอะไรมันก็ต้องครบเลยถ้ามันไม่ครบมันจะมันจะได้ผลนอคำถามต่อไปจากคุณนิษ ส่วนมนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันทำไมถึงนอนฝันทุกคืนไม่เคยเว้นเลยฝันทั้งดีและไม่ดีเช่นเห็นคนตายแล้วเป็นเพราะอะไรคะเพราะจิตฟุ้งซ่านคำถามจากคุณพิราบอยากจะทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันหรือแนวทางในการปฏิบัติธรรมของพระในสายพระป่าค่ะ จะได้ฝึกปฏิบัติเตรียมตัวล่วงหน้าในการที่จะไปปฏิบัติธรรมค่ะเพราะยังไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนค่ะและตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะก็ไปที่วัดเลยลจะได้เรียนรู้เลยพอพูดไปตอนนี้เดี๋ยวก็เืมและแนวทางในการปฏิบัติธรรมในกรณีที่อยู่ที่บ้านด้วยค่ะก็ทาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คาถามจากผู้ฝากถาม ขนาดที่เราเป็นลมจิตไปไหนครับจิตก็เป็นจิตนะจิตจะไปไหนคำถามจากคุณนาตาลีการที่เราปฏิบัติธรรมประจำโดยการนั่งสมาธิอ่านหนังสือท ร, รมะสวนมนต์ไปปฏิบัติธรรมบ้างแต่เรายังโกรธโมโ ห, โหอยู่ตลอดเวลาถือว่าได้ผลไหมคะหรือว่าเสียเวลาเปล่าคะก็เหมือนเวลารักษาโรคภัยแค่เจ็บพอเริ่มกินยาก็จะให้โรคมันหายเลย มันก็ต้องกินไปเรื่อยๆถ้าโรคมันยังไม่หายก็ต้องกินไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติไปแล้วโรคโกดหลงยังไม่หายก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติไม่หยุดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหายอย่างแน่นอนเพราะคนที่หายจากโรคนี้หายมาได้แล้วโดยการวิธีนี้คำถามจากคุณปายวรรสนเวลาทำสมาธิหรือเดินจงกรมจิตมักแนบกับพุโทโธหรือกายเคลื่อนไหวเพียงชั่วคราว ประเดี๋ยวก็จะวิ่งไปหาความคิดปรุงแต่งโดยไม่รู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีก็เสียท่าเป็นเวลาพอสมควรเหมือนจิตกับความคิดมันต่อต้านกันเองหน่วงหน่วงที่ขมับหรืออารมณ์จิตใจขณะทาความเพียนไม่ผ่องใสทําอย่างไรจึงจะเพิ่มกําลังของจิตของสมาธิได้ครับก็ต้องพยายามตั้งสติบ่อยๆตั้งอยู่เรื่อยๆ สติกับความคิดปรุงแต่งนี่มันเหมือนกับสองฝ่ายที่ชักเยาะกันความคิดปรุงแต่งถ้าเขามีพวกมากกว่ามีกําลังมากกว่าสติมีพวกน้อยกว่ามีกําลังน้อยกว่าก็จะถูกความคิดปรุงแต่งลากพาไปแต่ถ้าสติมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นความคิดปรุงแต่งก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปยั้นต้องพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆพอลืมตาขึ้นมาก็ให้ตั้งสติเลย Uh huh. ใช้อะไรเป็นเครื่องปลุกสติก็ได้เช่นพุทโธพุทโธไปเลยพอตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็พุทโธพุทโธไปอย่างนี้เราก็จะสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะไม่ลอยไปกับความคิดปุงแต่งใจจะตั้งอยู่ในความว่างความสงบสักแต่ว่ารู้ได้ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหนูนั่งสมาธิแล้วติดตอนนี้ไม่อยากจะฟังเทศอยากนั่งเฉยๆเวลานั่งสมาธิเปิดพระเทศด้วยอยากเอื้อมมือไปปิดเกิดจากกิเลสใช่ไหมคะแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกก็เกิดอยู่ว่าเราติดสมาธิกี่นาทีถ้ายังเป็นนาทีอยู่ยังไม่ถือว่าติด ถ้าติดเป็นวันเป็นปีไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดเอนในเบื้องต้นเวลาเรานั่งทำใจให้สงบมันมีความสุขมันก็ไม่อยากจะทำอะไรอันนี้เป็นผลที่ได้จากการทำสมาธิแต่ถ้าเวลาที่เราไม่นั่งเราไม่ได้อยู่อยู่ในความสงบเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ติดสมาธิถ้าติดสมาธิจริงเราต้องทาแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ทาอย่างอื่นเลย ดังนั้นการที่จะติดสมาธินี่ยากเพราะหนึ่งการที่จะมีสมาธินี่มันยากกว่าหลายเท่านัก่อนอื่นขอให้มีสมาธิให้ได้ก่อนขอให้ลองมีสมาธิทั้งวันทั้งคืนให้ได้ก่อนแล้ค่อยมาบอกว่าติดสมาธิคำถามจากผู้ฝากถาม <c oughs> ข้อที่หนึ่งมีคนบอกว่าการท่องบทสวดมนต์บทพระประลิตบ่อยๆทําให้หายป่วยยืดเวลาชีวิตออกไปได้จริงหรือคะ มันเป็นด้านจิตวิทยาเวลาสวดมนต์นี้ทำให้ใจสงบได้พอใจสงบความอยากให้การเจ็บป่วยหายไปมันก็หยุดทำงานพอมันหยุดทำงานความความทุกข์ใจมันหายไปก็เรรู้สึกว่าเหมือนกับหายป่วยเพราะบางทีความป่วยส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจความป่วยทางใจทางร่างกายมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ใจมันป่วยมากกว่าเพราะใจอยากจะให้มันหาย พอมาสวดพระประิต์เข้าใจสงบไม่ไม่ได้อยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปมันก็เลยรู้สึกว่ามันหายป่วยขึ้นมา้อที่สองจิตที่เป็นอิสระมันจะเบากายไปด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าจิตอิสระนี่เป็นยังไงอิสระจากธรรมแลืออิสระจากกิเลสแต่ถ้ามันเบานี่แสดงมันเรียกว่าจิตสงบอิสระ ถ้อิสระจากจากกิเลสมันมันก็จะเบาถ้าอิสระจากธรรมมันก็จะหนักข้อที่สช่วงเวลาที่กิเลสถูกประหารมันคือช่วงที่ศีลสมาธิปัญญาทํางานพร้อมกันใช่ไหมคะเคยสังเกตว่าทุกตัวเดียวกันประหารที่บ้านไม่สําเร็จแต่ไปถือศีลแปดแค่3วันประหารเกลี้ยงไม่เหลือซากก็ต้องมีทั้งสส่วนเนี่ยเป็นเครื่องมือ เหมือนอยาที่ต้องบางทีแพทย์ต้องให้ยาหลายหลา ย, หลายเม็ดด้วยกันทำหน้าที่ต่างกันศีลก็ทำหน้าที่ของศีลสมาธิก็ทำหน้าที่ของสมาธิปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาพอครบทั้งสามตัณหาความอยากก็จะถูกทำลายได้ความทุกข์ก็จะหายได้คำถามจากคุณธเนศ เวลานั่งสมาธิผมจะตึงๆหน่วงๆที่หน้าผากและจะเป็นบ่อยหลังจากออกจากสมาธิไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับการนั่งสมาธินี้มันน่าจะต้องไปเจออุปสรรคต่างๆที่จิตสร้างขึ้นมาเองนะยันไม่ต้องไปกังวลกับมันให้รับรู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางถ้ามันไม่มาขัดขวางการนั่งสมาธิของเรา หรือการดำเนินชีวิตของเราตามปกติเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันคำถามจากคุณฮอลลี่เราต้องตามดูรู้ทันในปัจจุบันตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงหรือต้องฝึกในการฆ่ากิเลสไม่ตามกิเลสคือสงสัยว่าเป็นการปฏิบัติที่ตรงข้ามกันหรือจริงๆแล้วคนละเรื่องกันแล้วสับสนเอามารวมกันเองคะคือมันก็เป็นทั้งสองอย่าง เราต้องรู้ทันกิเลสคือเราต้องหยุดกิเลสตัณหาให้ได้เวลาเกิดขึ้นการจะหยุดกิเลสตัณหาได้ก็ต้องรู้ทันสภาวะต่างๆว่าเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องรู้ทั้งสองอย่างเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาก็ต้องรู้ว่าเกิดตัณหาและ ว, วิธีแก้ตัณหาก็คือต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเรา ก็ให้ดูตามความเป็นจริงของเขาคำถามจากคุณตั้มข้อที่หนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องมีในการปฏิบัติกรรมฐานคืออะไรครับก็นำตนโดยที่สติเนี่ยสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายท่านทรงเปรียบสติเหมือนกับรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหมดในบ่า ทำทั้งหลายเช่นสมาธิปัญญาและวิมุตติหลุดพน้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสติเหมือนกับกุญแจรถที่เราจะต้องใช้ในการที่จะเปิดประตูรถแล้วก็ขับรถถ้าไม่มีกุญแจเราก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปไหนมาไหนได้เวลากุญแจหายนี้ต้องไปตามช่างมามาเปิดมาหากุญแจสำรองทันใดทำทั้งหมดก็อยู่ที่สติเป็นหลัก แม้แต่ทานทำทานรักษาศีลก็ต้องมีสติถ้ามึนเมาไปทําทานก็ทําไม่ได้รักษาศีลก็รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายข้อที่สองสติจะเพิ่มพืนเพิ่มพูนขึ้นด้วยการทําเหตุอะไรบ้างครับก็โดยการตั้งสติอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูก ต้นไม้อยู่เรื่อยๆ เ, เ, เราก็จะได้ต้นไม้หลายต้นถ้าเราปลูกต้นเดียวเราก็จะได้ต้นไม้ต้นเดียวสติก็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องปลูกฝังสติเจริญสติอยู่เรื่อยๆด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการสวดมนต์ไปคือการเจริญสติก็อย่างที่ได้เคยพูดว่ามีอยู่40วิธีด้วยกันกรรมฐาน40นี้เป็นเครื่องมือในการสร้างสติขึ้นมา เราถนัดกับกรรมฐานแบบไหนเราก็ใช้กรรมฐานแบบนั้นไปครูบาจะนย์งตาท่านสอนให้ใช้พุทโธถ้าเราถนัดพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่ถนัดเราจะดูเป้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือถ้าเราจะสวดมนต์ก็ได้หรือจะพิจารณาอาการส2ของร่างกายไปก็ได้มันมีหลายวิธีด้วยกันแล้วแต่เราจะ ชอบวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นก็สําคัญก็คือขอให้เจริญอยู่บ่อยๆเจริญอยู่เรื่อยๆการที่จะเจริญได้บ่อยได้เรื่อยก็ต้องไม่ทํางานอย่างอื่นเพราะเวลาเราไปทํางานอย่างอื่นเราก็เจริญไม่ได้พอเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่สามารถที่จะพุทโธพุทโธได้ดังนั้นถ้าอยากจะได้สติตึงต้องไปบวชกันหรือไปอยู่แบบนักบวชไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียว ไม่มีพารกิจการงานต่างๆมาคามาขัดขวางการจเจริญสติของเราข้อที่3การมีสติกำหนดดูแต่เวทนาอย่างเดียวจะสามารถทำให้เราหลุดพ้นได้หรือไม่ครับกืถ้านหลุดพ้นจากเวทนาได้ถ้าเรามีสติแลวต้องมีปัญญาด้วยคือต้องรู้ว่าเวทนานี้เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาทุกข์ก็อย่าไปอยากให้เขาหายเขาสุขก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆเพราะว่าถ้าเรามีความอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาทำให้เราต้องมาทุกข์กับเวทนาไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ทุกข์กับสุขก็เวทนาเพราะอยากให้เขาอยู่ไปนานๆพอเขาไม่อยู่เราก็ทุกข์ทุกข์กับทุกข์ก็เวทนาเพราะอยากให้เขาหายไปเร็วๆ พอเขาไม่หายไปเราก็ทุกข์เน่ถ้ามีสติมีปัญญาก็จะดูว่าเวทนาเป็นอนัตตาเป็นอนิจจาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราควบคุมบังคับไม่ได้พอเราเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวิธีปล่อยก็คืออย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ของเวทนาได้คำถามจากคุณสมูเอล ขณะที่นั่งสมาธิอยู่ติดตามลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดหายใจติดขัดไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้คะก็ต้องหายใจไปเลยถ้าไม่หายใจเดี๋ยวก็ตายนะนจะไปติดขัดได้ยังไงมีมีใครใครติดขัดบ้างไหมเราม่มาหายใจเนี่ยมันจะมาติดขัดตอนนั่งสมาธิตอนนตอนอื่นไม่ติดไม่ขัดเน่ย คำถามจากผู้ฝากถามเพราะว่าตันหาและวิภาวะตันหาอันละเอียดเราจะใช้วิธีคิดอย่างไรให้ทันกับกิเลสคะก็ใช้ตรายรักเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่เท่านั้นเองเพราะมันละเอียดถ้าปัญญาสติปัญญาเราไม่ไวพอไม่ละเอียดพอเราจะไม่เห็นมันมัเราจะถูกมันตลบหลังอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวเราคิดว่ามันอยู่ข้างหน้าแลที่ไหนได้มันย่องมาข้างหลังนี่แหละ เขาเรียกว่ากิเลสแบบละเอียดมันไม่เผชิญหน้ากับเราเข้าใจไหมมันชอบรอบกัดเข้าถามจากคุณล่วงทุกข์ด้วยความเพียรหนูบวชเป็นแม่ชีปีที่หค่ะปฏิบัติภาวนาใช้บริกรรมพุทโธทุกอิริยาบถนั่งสมาธิเจอเวทนาเป็นลูกๆด้วยเวลาที่ตั้งไว้ก็สู้อดทนอาศัยคำบริกรรมเรวถีที่เป็นเรวถีเป็นที่อยู่ แล้วก็ค้นหาเวทนาด้วยการพิจารณาความเป็นาธาตุผลก็ค่อนข้างดีขณะนี้ทุกอิริยาบถภายในมันหมุนวนขุดคุ้ยเรื่องกายบ้างเรื่องของภาษาเวทนาอายตนาต่างๆบ้างราคาโทษาบ้างแล้วแต่สภาวะสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะทั้งปรงแต่งภายในจิตภายนอกร่างกายมีสติ ก, กำกับรู้เห็นการ เกิดดับแต่ละครั้งภายในสอนจิตด้วยข้อธรรมต่างๆหมุนบูนแบบนี้มาสองถึงสอาทิตย์แล้วมองอะไรก็เป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลไปหมดทั้งหมดนี้ไม่รู้หนูเดินถูกทางไหมต้องแก้ไขยอย่างไรบ้างหนูเดินต่อไม่ถูกคะ่ะหนูต้องเข้าไปที่ตัวตันหาความอยากเวลาทูกกับเรื่องอะไรทูกกับร่างกายทุกกับเวทนา ทุกับอายานะทุกนนทกับคน น, นั้นทุกกับคนนี้ต้องเข้าไปดูที่ตัวความอยากว่าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราอยากเราต้องหยุดความอยากเร า, เราต้องมองเขาว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นตามความอยากของเราได้เสมอไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดความอยากได้แล้วใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ ใจของเราก็จะสบาย น, นนี่คือวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะทุกข์กับเรื่องใดต้องใช้ายรับคือปัญญานี้เป็นตัวเข้ามาพิจารณาแก้ไขทุกครั้งไปถ้าไม่ใช้ใจรั์มันก็จะไม่แก้ปัญหาตันหาความอยากก็ยังจะอยู่ต่อไปยังอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคาถามจากคุณกะโหนพรข้อที่หนึ่งตามตารากล่าวว่า มีพระแม่โพศพพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระภายแม่พระเพิงมีเทวดาที่รักษาแผ่นดินแม่น้ำลมไฟข้าวจริงหรือไม่คะลองก็ไม่ได้ศึกษาเลยจะตอบอยังไงข้อที่สองตำลา ว, ว่าสัญญามีสองอย่างรูปสัญญากับนามสัญญา ดิฉันไม่เข้าใจค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังค่ะไม่ทราบไปอ่านตำนาที่ไหนแต่ตำราของพราเจ้าก็สัญญาก็มีอันเดียวข้อที่สามอารมณ์พอใจคือลาค้ไม่พอใจคือโทสะใช่หรือไม่คะแล้วอารมณ์พอใจและไม่พอใจของพระาอารหันต่างจากปุถุชนอย่างไรคะพระอรหน์ท่านาไม่มีอารมณ์เหล่านี้ข้อที่สี่ ปัญญาในทางโลกกับปัญญาในทางธรรมในพระพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรคะทางโลกก็คือวิธีหาเงินหาทองนะที่เราไปเรียนหนังสือกันปริญญาตีโทเอกนี่เป็นเรียกปัญญาทางโลกเป็นวิชาชีพที่เราสามารถเอามาใช้หาราบยศสรรเสริญสุขได้แต่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้ส่วนวิชาทางธรรมนี้เป็นวิชาที่ไม่ใช่เป็นวิชาชีพ แต่เป็นวิชาที่จะมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราต่างกันตรงนั้นคำถามหมดแล้วมีใครอยากจะถามต่อไหมในนี้ค่ะหนูขอกลับนมัสการค่ะแล้วขอถามพระอาจารย์ค่ะมีเพื่อนแนะนำค่ะว่าถ้าอยากให้ลูกได้ดีเขาบอกว่าเขาเอานังสือสวดมนต์มาให้หนูค่ะเขาบอกว่า ให้สวดคาถาพาวุ่งมหากาหลายๆรอบเกินหนึ่งอายุเงี้ยค่ะเขาบอกเขาสวดจนลูกเขาได้เป็นแพทย์ที่มหิดลเลยค่ะแต่ตอนนี้ลูกหนูเล่นเกมค่ะแต่หนูไม่ได้สวดพาหุงมหาการหนูได้แต่ทําวัดชาวัดเย็นอย่างเดียวหนูก็สงบแล้วค่ะแล้วหนูก็นั่งสมาธิต่อการที่เพื่อนเขาแนะนําอย่างนั้นหนูก็ไม่ได้คิดตามเขาหนูคิดว่า บทสวดมนต์น่าจะเป็นที่ทำให้ใจหนูสงบแล้วก็ดับทุกทางใจมากกว่าเป็นอภินิหารนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าทำไมไม่เชื่อก็เอาอมาให้อีกเล่มหนึ่งค่ะเป็นสองเล่มหนูก็เลยขอถามพระอาจารย์นะคะว่าเพื่อนเขาก็เจตนาดีแล้วถ้าหนูสวดพาหุงไปด้วยอธิษฐานไปด้วยเกี่ยวกับให้ลูกเนี้ยค่ะให้ลูกเล่นเกมแล้วลูกจะเลิกเล่นไหมคะแบบก็ลองทาดูเนี่ย ลองทำดูหนูเคยลองแล้วค่ะสวดตั้ง4ี่สิจบแล้วใจหนูร้อนมาแล้วค่ะว่าเมื่อไหร่จะถึง44สิบจบสักที <c oughs> ก็เลยว่าใจไม่เย็นเท่าทําวัดเช้าวัดเย็นนะคะเขาให้แม่สวดแล้วให้ลูกสวดเขาบอกถ้าแม่สวดก็มีอนิสงส์ผลถึงลูกค่ะแต่หนูสวดมากๆหนูก็ฟุ้งค่ะหนูทาวัดเช้าวัดเย็นแล้วนั่งสมาธิสบายใจกว่าที่มันฟุ้งเพราะอยากไม่ใช่แล้วอยากให้มันครบเร็อยากให้ครบค่ะเราก็จได้มานั่งสมาธิสักทีนึค่ะก็เวลาสวดนี่ก็เป็นการทําสมาธิอยู่แล้วถ้าเรา ถ้าเราไม่ไปนับว่ามันกี่รอบไล้อยากไปอยากให้มันครบก็สวดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นการทําสมาธิไปในตัวอยู่แล้วอ๋อแล้วลูกก็ได้อานิสงส์ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้หรอกลูกก็ต้องเรียนหนังสือเลยนะยังแม่สวดแล้วลูกไปเล่นเกมแล้วเรียนจบที่ไหนล่ะแบบเหมือนจะมีเทวดาไปไปตักเตือนเขาไม่มี่ยไม่มีหรอกเทวดาก็ยังเขายังต้องเตือนตัวเขาเองเลย เทว ด, ดาก็มีกิเลสเหมือนเราเนเป็นเรื่องไรสาระเนะี่ย <c oughs> แต่แต่ถ้ามันดีสำหรับเขาก็ปล่อยให้เขาดีไป <c oughs> เราก็มาลองทําดูถ้าทาแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องทํพ <c oughs> ระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเชื่อใครใครเขาสอนบอกอะไรให้ฟังหูไวห้หูแล้วนำมามาพิสูจน์ดูว่าทาแล้วได้ผลตามที่เขาพูดหรือเปล่าค่ะหนูไม่ได้ไปเถียงเขารคาแต่หนูก็ ไม่ได้ทำตามเขาพ อ, อาต้องพิสูจน์ก่อนใครจะบอกอะไรเราเนี่อย่าเพิ่งไปเชื่อเอามาพิสูจน์ดูว่าได้ผลอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเหมือนกับไปเอายาจากหมอมาหมอให้กินเราก็ต้องกินถ้าเราอยากจะอยากจะรู้ว่ายานี้ดีไม่ดีถ้าเราไม่กินเราก็จะไม่รู้พระอาจารย์คะเวลาหนูทำวัชวเช้าบ่ายเสร็จหนูนั่งสมาธิเสร็จ แล้วหนูก็จะอธิษฐานว่าขอให้หนูได้ทําทานทุกๆวันขอให้ได้รักษาสีลห้าให้ได้ทุกๆวันและขอให้ได้สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกๆวันแต่ไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้ลูกเลิกเล่นเกมค่ะพระอาจารย์พอขออย่างนั้นก็ขอไม่ได้ขอไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะขอในสิ่งที่เราทําได้แต่<ช>คุณเป็น<อ>แม่ต้องควรอธิษฐางงนขอให้ลูกได้อย่างนั้นได้อย่างนี้หรือเปล่าคะพระอาจารย์หรือว่า คือยาที่ฐานก็ได้แม่ที่ฐานก็ได้มันก็ไม่ได้อยู่ดีมันไม่ได้อยู่ที่การที่ที่ทานหรือแม่ที่ฐานอยู่ที่การสั่งสอนดูเรามากกว่าสั่งสอนให้ดูเป็นคนดีให้ขยันเรียนหนังสืออตอนเล็กๆก็ดีค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังครับตอนแรกก็ชวนมาวัดตอนเล็กๆคมาตอนนี้ตอนโตไม่มาชอบอยู่แต่บ้านค่ะก็ธรรมชาติของคนทุกคนพอเริ่มโตก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ก็อยากจะทำอะไราตามนิสัยเดิมของตัวเองก็อยากก่าไปทุกข์กับเขาเราทำหน้าที่ของเราไปเขาทำตามก็ดีเขาไม่ทำตามก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไปก็แล้วกันค่ะหนูก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นค่ ะ, ะหก็อยากก็หวังได้แต่จะดีะไม่ดีไม่อยู่ที่ความหวังขอบพระคุณค่ะท่านนรรศการพระาจารย์ครับ เคยฟังพระอาจารย์เทศครับเกี่ยวกับการนั่งสมาธิครับก็หลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาพุทธโธไปเรื่อยๆครับก็อยากครับว่าจะเคยฟังพระอาจารย์เทศบอกว่าให้วางจากสมาธิก่อนครับแล้วมาพิจารณากายครับสภาวะที่วางสมาธินี้เป็นยังไงล่ะครับก็เวลาเอาอจากสมาธิไงหลังจากที่เราเลนนั่งสมาธิแล้วออกมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ล้วก็คิดไปทางเรื่องของร่างกาย ว่าร่างกายไม่ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟให้คิดอยู่เรื่อยๆจะได้ไม่หลงไปคิดว่าร่างกายเที่ยงว่าเป็นตัวเราของเราเพื่อเราจะได้ไม่ทุกเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปและอันนี้ทำเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิไม่ต้องทาอันนี้สลับกันเหมือนเรียนวิชาช่วง เวลาต่างกันเวลาสมาธิก็นั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปเวลาออกจากสมาธิมาไม่ได้ทำสมาธิก็มาคิดทางปัญญาแทนก็เวลาวางสมาธิก็ไม่ต้องภาวนาพุโทโธอะไรใช่ไหมครับเวลาออกจากสมาธิแล้วครับถ้าอยากจะรักษาอยากจะทําให้จิตสงบเอง ก, ก็ใช้พุโทโธก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้จิตมีปัญญาก็ต้องคิด ทางอนิจังทุกครังอนัตตาขอบมากครับคําถามจากคุณอาดอมาเลสปฏิบัติเริ่มแรกควรตั้งสติก่อนใช่ไหมครับแบบว่าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องปัญญาเลยใช่ไหมครับแล้วเมื่อปฏิบัติสติมาจนสติตั้งได้แล้วอาการของสติที่ตั้งได้แล้วและฝึกมาดีแล้วจะเป็นอย่างไรครับ ก็เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งสักตะวารถ้ามีสติดีต่อเนื่องไม่พังไม่เผลอนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้อันนั้นแสดงว่าเรามีสติแล้วได้สมาธิแล้วพอหลังจากออกจากสมาธิมาก็ฝึกคิดทางปัญญาได้ถ้าเราอยากจะออกไปทางปัญญาแต่ถ้าเรายังอยากจะ เราสร้างฐานสมาธิให้มันแน่นกว่า น, นี้เราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธมาเจริญอนสติต่อไปก่อนเพื่อให้มันมีความสามารถที่จะคข้าสมาธิได้ทุกเวลาเพราะว่าการมาเจริญปัญญานี้ต้องใช้ความคิดแล้วถ้าเผลอไปอาจจะคิดไปในทางกิเลส ท, ทำให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แล้วอาจจะทำให้ยากต่อการเข้าสมาธิในครั้งต่อไปได้อย่างนั้นถ้าเราเพิ่งได้สมาธิใหม่ๆและยังไม่แม่น ก็ยังไม่สามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการคนจะมาฝึกสติต่อไปก่อนเพื่อที่จะได้หยุดความคิดต่างๆแล้วเวลาเราจะเข้าสมาธิก็จะเข้าได้พอเราสามารถควบคุมความคิดได้สามารถเข้าสมาธิได้เวลาใดที่เราต้องการแล้วเวลานั้นเวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิออกจากสมาธิมา เราก็ออกทางปัญญาได้คิดไปทางปัญญาได้เพราะว่าถ้าเราคิดไปแล้วถ้าเกิดมันฟุง้งเราก็จะมีสติหยุดมันได้ยันในเบื้องต้นนี้ต้องมีความสามารถควบคุมความคิดได้อย่างตลอดเวลาเวลามันจะฟุงะ้งเมื่อไหร่นี้หยุดมันได้อย่างนี้จะดีกว่าถ้ายังควบคุมมันไม่ได้เดี๋ยวเวลาออกทางปัญญาพอมันเผลอไปคิดทางกิเลสมันก็จะฟุ้งขึ้นมา แล้วจะทำให้เวลาจะนั่งสมาธิต่อไปนั่งไม่ได้เพราะมันไม่มีมันไม่ยอมหยุดฟุ้งนั่นเองอยังั้นก็ต้องดูกำลังของสติล้าก่อนว่ามีมากพอที่จะสนับสนุนในการจเจริญปัญญาหรือไม่ถ้ายังไม่พอสร้างสติต่อไปสร้างสมาธิต่อไปก่อนให้เข้าสมาธิเข้าออกให้ได้อย่างชำนาญก่อนจะดีกว่าเหมือนขับรถตอนแรกหัดขับแถวบริเวณที่ไม่มีไม่มีรถลาวิ่งไปก่อน ซ้อมขับให้มันชำนานก่อนพอขับชำนานแล้วทีนี้ออกนนนน็ออกไปถนนใหญ่ถ้ายังไม่ชำนานออกไปถนนใหญ่เดี๋ยวก็ไปชนกันคันนั้นคันนี้ได้คำถามหมดแล้วมีใครอยากจะถามไหมยกมือขึ้นมาได้ถ้าไม่มีก็คิดว่าขอยุติการประชุมกันไว้เพียงเท่านี้ ขอให้นัานจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิเนตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ